S <S อวิ่งออกไปวิ่งไปแบบวิ่งไปว่าเขาเลยวิ่งไปกอ่อนแบบมันคือแบอบต่อประจป็ครั้ <c oughs> งนี้จะเป็น้าทุกวัน <c oughs> คือมันทํางานไปตามอนุสัยของเราเนี่ยแเดิมเราเก็บกดนะเขาไม่ไปหรือไปก็ไม่เห็น <c oughs> อย่างนิสัยมันไม่หายหรอกนะอย่างมันวิ่งไปแต่เดิมมันอาจจะไม่เห็นก็ได้ใช่ <c oughs> ไหม <c oughs> อรแค่รู้เฉยดูลงไปในแง่มุมที่ว่ามันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยดังนั้นมันวิ่งไปทํางานได้อเองไม่ได้โงใจเลยเร่องนี้ยการที่เรามีสติขึ้นมาแล้วเราเห็นตัวสภาวะนะเราเห็นเขาทางานได้นา ม, มาทำทั้งหลายมาทํางานของมันแต่ไม่ได้ตั้งใจจะทํามันไม่ใช่ตัวเราพอเฝ้าดูไปนานๆเนี่ยศึกก็แจ่มแจ้งทั้งรูปทั้งงาไม่ใช่ตัวเรา ปัญญาสิทธิ์ทีก็ขาดอมพ่อแม่บอกว่าให้ออกปัญญาใช้ไม่้ขาดไม่ใช่ไม่ใช่อย่าไปเอาปัญญาอะไรไม่ใช้นะให้มีสติเนี่ยรู้สภาวะไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวปัญญาจะค่อยเกิดขึ้นมาแต่การรู้สภาวะต้องรู้ให้เป็นรู้ด้วยจิตใจที่ตั้งมัน่นแต่ถ้ารู้ไม่เป็นเนี่ยก็ปัญญาไม่เกิดหรอกเวลาไม่ทําที่เราไม่ชอบหรือว่า จอมัก้าิอรู้ทันต่ว่ามันลุดช้าาอย่ายกให้หุทุกท้องันจะมีะะมยอมม ย, อ ย, ย่าอยากให้หุถ้าอยากให้หลุดแล้วก็จิตไม่เป็นกุศลจริ ง, <c oughs> งแสดงว่าจิตมีโลภะแตกมีโสดาแท้เง้นเวลานี่ยเเช่นกิเลสเกิดขึ้นมาพอเราสติรู้ทันะรับรู้รู้ใจที่เป็นกลางอยา่าไปเกลียดมันถ้าใจเกลียดมันนะให้รู้ทัน หลวงที Scroll, that that ่รู But, so ้ด้วยใจที่เป็นกลางนี่สําคัญนะรู้ด้วยความเป็นกลางยังไม่เข้าไปแตกแต่แต่ถ้ารู้แบบไม่เป็นกลางจะเข้าไปแตกแต่คือว่าใจเป็นกลางรู้อย่างใจที่เป็นกลางคือไม่ผสมความไม่ชอบหรือชอบกคือการที่รู้เด้วยความเป็นกลางเนี่มีลักษณะนี้ก่อนรู้เป็นยังไงระหว่างรู้เป็นยังไงรู้แล้วเป็นยังไงหลวงพอจะแจกแจงไปเวลา เวลาเรารู้ทันจิตแจขงเราหรือก็ทั่งรู้รูปก็เหมือนกันนะรู้รูปรู้ตามก็รู้เมื่อคุณสมบัติสามขอนี้เหมือนกันก่อนที่เราจะรู้เนี่ยอย่าอยากรู้อย่าอยากรู้ถ้าอยากรู้เราจะเที่ยวแสวงหารู้สึกไหมบางครั้งไม่มีอะไรให้ดูนะเที่ยวหา ย, ยายนี่เนี่ยทําด้วยความอยากรู้ไม่ใช่ของจริงแอ่กิเลสนาหน้ามันแล้วการหานำหน้ามันเพราะฉะนั้นก่อนจะรู้เนี่ยอย่าอยากรู้เอาไว้ให้มันเกิดขึ้นมาก่อนแสติมันเกิดเอง ไม่ตรงที่จะสะติไม่เกิดเองไม่ต้องเรียนเหมือนกนะัคือต้องรู้จักสภาวะนะสภาวะอันไหนที่จิตรู้จักแล้วเกิดขึ้นมานะสติจะเกิดเองเลยไม่ต้องอยากรู้ยกตัวอย่างอย่างเราหัดรู้มาที่นี่หลวงพ่อจะคอสอนใจลอยรู้ไหมหรือว่าเป็นอะไรรู้ไม่เพ่งรู้ไหมนี่ค <c oughs> ือการหัรู้จักสภาวะนานาชนิดพอสภาวะอันไะหนทะี่จิตมารู้จักแล้วเกิดสติจะเกิดเอง อย่างเคยถูกหลวงพ่อไล่กี่มาหนีไปคิดแล้วด้วยไหมใจลอยแล้วต่อมาพอเราใจลอยแทบไปสติมันเกิดเองเฮ้ยเผลอไปแล้วสติเกิดเองสติจะได้ทําให้เกิดด้วยความอยากไม like like like like ่ไ <demais> ด <noise> ้ uh, ้สติเกิดเองจะเอาความอยากมานำหน้านี Bref, kommen, um, ่พอต่อมาขั้น like ที่สองจังหวะที่สองก็คือจังหวะแรกก็คืออย่าอยากก่อนนะให้สภาวะเกิดแล้วก็ค่อยสติค่อยเกิดรู้ขึ้นมาอันที่สอง พ<ข>อระหว่างที่สติหรือจิตจะรู้อารมณ์เข้าเนี่ยยานถล้ำเข้าไปให้สักว่ารู้สักว่าดูอยู่เหมือนเราเป็นคนดูอยู่วงนอกดูละครก็ดูอยู่นอกเวทีอย่าโดดึ้นเวทีพวกเราบราสร้างดูอารมณ์เนี่ยเราจะถล้ำลงไปอย่างของคุณเดินเดินจงกรรู้สึกไหมจิตไหลไปอยู่ที่เทา้าสิ่งนี้เรียกว่าเราถล้ำลงไปดูเทา้าจิตไม่ตั้งมั่นจิตไหลไปแล้ อะไรทําให้จิตถลําลงไปก็โลภ์พักกตั้นหาอีกนั่นแะอยากรู้ให้ชัดนะที่ได้ไม่มีอะไรให้รู้ก็อยากจะรู้ว่ามันมีอะไรเที่ยวหาอย่างวพนะอหาเจอแล้วก็ไปเจ้าะใส่มันไปเพ่งใส่มันไปกําหนดใส่มันไม่สักว่ารู้นะตรงนั้นระหว่างที่รู้ต้องสักว่ารู้ไม่กระโจนลงไปไม่ถลําลงไปไม่ไหลเข้าไปนะเนื้อรู้แล้วนะรู้แล้วไม่แทรกแส่นะูแล้วต้องไม่แทรกแส่ไม่ใช่พอเห็นกิเลสเกิดขึ้นมา อยากให้ดับรู้สึกอยากดับไหมความทุกข์เกิดขึ้นในใจอยากให้ดับนะแพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้อยากดับทุกข์ท่านบอกทุกข์ให้รู้ไม่ใช่ให้รักให้เรารู้ทุกข์ไม่ใช่ให้รักให้รักความอยากก็ให้รักสมุทัยการปฏิบัติจริงเป็นหลักของสติประเภทอริยศาสตร์ไม่ได้นะอริยศาสตร์บอกทุกข์ให้รู้ทุกข์เป็นของจริงจิตต่อทุกข์คือการรู้ ทุกคืออะไรทุกคือกายเหยใจรูปนามแต่กนะิจต่อทุกคือการรู้รูปรู้นามนะไม่ใช่ไปเพ่งให้ดับหรือพยายามประคองรักษาไม่แทรกแซงแลนะไม่แทรกแซงทั้งทางบวกแลนะทางลบนะเช่นกิเลสเกิดขึ้นไม่ต้องไปอยากให้มันดับแต่ในหะ้รู้เฉยๆรู้ในใจที่เป็นกลางอย่าไปเกลียด ม, มันแต่ถ้าใจเกิดไปเกลียด ม, มันลับห้ามไม่ได้แล้วะิตเจนนัตตาห้ามไม่ได้ให้รู้ว่าไม่ชอบเลย มันนานหรือไม่นานอยู่ที่ใจเรานะอย่างเวลาเราจะทํางานอะไรทุกอย่างที่เราไม่ชอบรู้สึกนานไหมแต่เมื่อเราเกลียนมันถหันนะแต่อันไหนที่เราชอบรู้สึกไหนแป๊บเดียวเองเวลาความสุขเกิดขึ้นรู้สึกแม้แม้ดับไปแล้วไม่ทันไรดับนะอยากให้อยู่นานพอความทุกข์เกิดขึ้นโอ้ยทำไมนานจริงก็อยากให้ดับหลกงพ่อชาเกเอาไม้เท้าให้คนดูตามมะมายนี่มันสั้นหรือมันยาว บางคนมันสั้นบางคนมันยาวก็ไม่บอกมันไปก็แค่นี้แหละไม่สั้นหรยาวหรอกใครที่อยากได้ไม้ยาวกว่านี้นั่นก็ว่านี้สั้นใครอยากได้ไม้สั้นๆตัวนี้ยาวเพราะงั้นความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยทาไมมันตุ๊กนาวเพราะไปเกลียดมันเราไม่ชอบมันให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบมันรูด้วยความเป็นกลางเพราะงั้นเวลาเราเจออะกูโซนหรือเจอความตุ๊กอย่าไปเกลียดมันอย่าไปอยากรากมัน อย่าไปพยายามป้องกันไม่ให้มันเกิดกันไม่ได้นอครับถ้าเจอกุศลเราเจอความสุขเราก็ให้มันมเฉยเยอย่ารีชอบมันอย่าไปอยากรักษาไว้ น, นานๆต็องอะไรรักษาไม่ได้จะาเป็นเหื่อรว่าทแล้วไม่ีท้วเราเก็บนานใจไม่ให้ทำไม่ททางกายทางวาจานะทางใจเอ า, วจจ า, าไว้ดูเช่นมันด่าคนที่มาบางคนมีนะมาทางซาเกศแลนั่งด่าซักแล้วก็สงตกใจ ตบใจที่ขอเข้ามาในใจถึงว่าด่าในใจให้ขอในใจคือคิด ใ, <น>ในใจได้แต่ไม่พูดไม่ได้ครับอคือสินห้าไว้ก่อนสินห้านะ่ะภรุงกายปรุงบาจาเวราะมันกระทบกทันเองจนสิเลสเกิดทางใจเอาให้ดูรู้สึกิเลสเที่ยงหรือไม่เที่ยงสิเลสเป็นของบังคับได้หรือไม่ได้คือลงไปเพื่อจะได้เห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยงนะมันเป็นตุกนะมันบังคับไม่ได้นะการที่เห็นว่ารูปนานมหรือจะตั้ง ดูส่นหส่วนทั้งหมดแต่ไม่เที่ยงเปนน็นทุกเป็นนะตาที่ได้ไปเห็นธรรมะนะคนที่ได้วงตาเห็นธรรมถ้าโซดาบันไม่ได้เห็นอะไรเยอะเลยโซดาบันเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาถ้าเกิดว่าอะไรก็ไม่ใช่ของเราด้วยจิตวิญญาเป็นของเราที่เราตายไปแล้วจิตก็ยังไปเกิดเป็นขั้นสื่อขั้นส่ อ, สอใช่ใิตี้ <c oughs> เป็นของเราแต่ว่าอาการที่เกิดขึ้นมากระทบเราเนี่ยมันไม่ใช่อื คือตอนนี้ยังเห็นว่าจิตเป็น <thì S 1> เรานะเพราะสัคยัสสียังไม่ขาดถ้าเขารู้ไปที่จิตที่ว่าของเราเนี่ยบังคับมันได้ไหมเป็นของเราจริงไหมเขารู้ลงไปอย่างเดียวมันก็ไปเกิดทางตาเดี๋ยวมันไปเกิดทางหูเดียวมั น, นเกิดทางใจรู้สึกไหมเดี๋ยวก็ไปดูเดี๋ยวมันไปฟังเดี๋ยวมันไปคิดจิตทาหน้าที่ได้ต่างๆนานาจิตสี่แบบเราไม่ต้องเรียนจิตสี่แบบรู้เดี๋ยวมันก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวมันวิ่งคิดนะ ไปกินอาหารก็วิ่งไปรู้รถวิ่งไปวิ่งมาทํางานได้สิบสี่อย่างทําทางใจก็ทำได้ทั้งกูสนทั้งกูสนไม่ได้เจตนาจะทำอะไรกูศนเลยมันทำก็มันเองกูสนพยายามจะทํามันไม่ยอมทําด้วยเราต้องรู้ลงไปเรื่อยๆในสึกเหตุกรรมจริงแล้วเราบังคับมันไม่ได้มันไม่ใช่ของเราแล้วเนี่ยสถายะที่ทีถึงเรียกขาก็ถ้าเราไปไปหลุดกรรมก็จะตามไปกับไอการที่เราท่เรียกว่าอะไรแยกกัน ลงไม่เข้าใจหนึว่าจิตเราคือตอนนี้เราทําอะไรไปก็เหมือนกับบคอร์ดไว้คือว่าดีหรืดีถ้าเกิดเราไปพบหน้าเนี้ยดีไม่ดีกรรมนี้ก็จะส่งผลกรมนถ้าอย่างนั้นมันเหมือนกับมุนก็เปของเราคือนี้แตมาเทียบให้ฟังนะเรายังไม่เห็นตัวจิตเราก็ใจยากจิตเป็นของกระจัดกระจัดตลอดเวลานี่พูดถึงตัวจิตดูยากแตมาเทียบเป็นบุคคลให้ฟัง อย่าพ่อแม่ทำกรรมดีมันมีมรดกเยอะลูกมารับใช่ไหมลูกไม่ใช่พ่อแม่ใช่ไหมแต่ลูกก็ไม่ใช่สิ่งที่ไม่เกี่ยวเลยกับพ่อแมนะ่หรือพ่อแม่ทำกรรมชั่วมากก่อนหนี้ไม่เยอะนะหรือโจรเยอะหานะเรื่องคนไม่เยอะลูกก็รับผลคล้ายๆกันจิตนี้ก็เหมือนกันจิตดวงใหม่มคล้ายๆเป็นลูกบุตัวเก่านะไม่ใช่ตัวเก่าไม่ใช่ตัวเดิมถามอนนะ อันี้เราเข้าใจด้วยการเปรียบเทียบเข้าใจด้วยการคิดด้วยกันฟังเราดูของจริงเอนการปล่อยทุกสุขที่บอกว่าอย า, ากไปอยารละมันด้วยพอ ร, รู้แล้วเนี่ยมันยังมีโชติยืนรู้สึกทันใดความไม่ชอบคนงานการจัดการไม่จัดการนะให้รู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆแต่เดี๋ยวสักครั้งก็เห็นอีกแล้วไม่ชอบอีกแนละ้วใจเัาไม่ได้เป็นกลางจริง ยังเข้าใจเป็นกลางจริงมีขาดสะ บ, บั้นทันทีเลยน mm hmm. ี่นอย่างบางคนบอกว่าเนี hey, ่นั่งดูกิเลส mm hmm. ผมดูความส่วนหรือที่ฉันดูความส่วนมันสามพันแล้วไม่ไหาย mm hmm. อันนี้ไม่ได้มีสตินะ mm hmm. ถ้ามีสติจริงๆความส่วนหรือกิเลสตั้งอยู่ไม่ได้ mm hmm. ความเป็นกลางเกิดจกสความเป็นกลางเนี่เกิดจากมีสติไปรู้ทันสิ่งที่ไม่เป็นกลาง เงั้นตรงทางสายกลางที่ปลูกเนี่ยอย่าไปหามั น, นว่าตรงไหนปลูก ต, ตรงไหนกลางให้รู้ตรงที่มันผิดนะเพราะงั้นเริต้นเวลาพระพุทธเจ้าสอนธรรมะเทศกันแรกคือธรรมจกักกิริยานะธรรมจกกักสัพวัตตะลักษณสอนสระปัญจลักษีเริ่มต้นเลยบอกว่าธรรมะที่ไม่ควรต้องเพิกสองอันคือความสุขโศกสองด้านอันหนึ่งคือการไหลตามกิเลสอันนึ่คือการกดข่มบังคับตัวเอง ถ้านสอนสิ่งที่ผิดนะไม่ได้เริ่มสอนสิ่งที่ถูกนะสนสิ่งที่ผิดซะก่อนพอรู้สิ่งที่ผิดเนี่ยแล้วตรงที่ถูกท่านสอนอะไรทัานสอนอริยมรรอริยมรรมีมองค์แปดเวลาเราลงมือปฏิบัติจริงๆมันคือการเจริญสติเม้่เรามีสติึ้นมาปลูกส้างเมื่อไหร่เป็นสัมมาสติเมื่อไหร่องของมรรคที่เหลือก็เกิดขึ้นรอบๆกันเลยมรรคไม่ได้เกิดทีละตัวนะมรรคมีตัวเดียวมีหนึ่งเพรานั้นแต่มีคล้ายๆมีขาแปดขา มีตัวเดียวคือมรรคเมีนยนเดียวเพราะ ง, งั้นอย่างบางคนจะไปเข้าใจว่าเาตอนเชา้าไปรับศีลไปาร์มไปขอศีลฟ้างถือว่ามีศีล น, นะกตางวันไปนั่งอานหนันงสือธรรมะหรือไปเรียนปริยตัติบอกว่าเนี่ยเจริญปัญญาก่อนาอนไปนั่งสมาธิทําสมาธิแล้วบอกว่าศีลสมาธิปัญญาครบไม่ครบหรอกศีล ส, สมาธิปัญญาจะครบได้ในขณะที่จิตมีสติรแลึกขึ้นมา มีสติแล้วก็ปัญญาเกิดจิต ท, ที่ตั้งมั่นมีจิต ท, ที่ไม่เช้าล่อใหังสติคือความบรรลกได้บรรลึกได้เพราะมันเคยรู้จักมันเคยจําได้เพราะฉะนั้นต้นทางของการปฏิบัติจริงๆไม่ใช่อยู่ที่จงใจทําให้สติเกิดแต่ว่าพยายามตามรู้สภาวะไปเรื่อยๆอะไรแปลกลอมเข้ามาทางกายไปรู้อะไรแปลกปลอมเข้ามาทางใจไปรู้ไปเรื่อยๆ เราจะเห de si ็นวเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยนั่งเดี๋ยนอนเี้ยคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงทางกายทางใจเรื่อยๆเมื่อการที่เรารู้บ่อยๆในที่สุดจิตมันจะจําสภาวะได้รูปยืนเป็นอย่างนี้รูปเดินรูปนั่งรูปนอนรูปคู่รูปเหยียดรูปเดี่ยวซ้ายขวาเป็นอย่างนี้จําได้ความสุขเป็นอย่างนี้ความทุกข์เป็นอย่างนี้เฉยๆเป็นอย่างนี้จําได้ว่ากูทลเป็นอย่างนี้โลกโดดลงฟุ้งซ้านปวดดูเป็นอย่างนี้ ยพอจําสภาวะได้แล้วพออะไรเกิดขึ้นสติจะเกิดเองทันทีที่สติเกิดขึ้นมาโดยไม่ได้เจตนาให้เกิดไม่ไม่มีปัญหานําหน้าถ้ามีปัญหานําหน้าแล้วเราพยายามหายใจไปแล้วพยายามจะให้สติเกิดไม่เกิดหรอกกลายเป็นเพ่งลมหายใจไปเต้นจงกลมต้องไปเพ่งเท้าไปรู้ท้องต้องเพ่งท้องไปพุทโธเพ่งพุทโธไปเพ่งนี่ยแต่สติมันไม่เกิดได้แต่เพ่งๆเงนี่ยฉันผ่านรู้สภาวะนะ ใจไหลแค่ไหมีคิดเรื่องอยากถามอยากพูดรู้สภาวะเข้าไปเห็นไหมความอยากมันดันขึ้นมาเป็นเรื่องเลื่อนหว่าเห็นไหมเออเออนะดูไปเรื่อะไม่ต้องถามก็ได้ถามไม่เข้าใจหรอกเห็นไหมกดไม่ได้นะเห็นไหมคือว่าอจะถามว่าบางครั้งเรารู้ไหมคะว่ามันมันมีความไม่ชอบมีไม่พอใจมีทุกข์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราเลยทํา รู้ได้ว่าไม่ถูกก็คือฟังเพลงเหมือนหีทุกปาร์ตแล้วก็ไม่ไม่อยากไม่อยากต้องมีแบบว่าระลึกรู้หรืหออะไรปล่อยมันไปเลยอตอนนี้ยอมรู้สึกว่าไม่ดีอยาจะลอยใส่ด่างี้ยเออแต่ว่ามันห้ามกิเลสตรงนี้ได้ไม่รู้ทันมันนะรู้ทั น, นแต่ถ้าแหมมันอยากฟังเพลงทุกวันเลยนะอาจจะต้องตั้งสัตรูตู้กันเลยเอาเทปไปแจกใครสัก คือการแก้ป <Merci> ัญหาแก้ท <t ses na> so ุกข์เมื่อเช้าไล่ฝังนะเพราะมันทําได้สแบบความเจตนาหรือตัวสังขารเลยปฏิจจสมุปบาทมันมีสามอันอันหนึ่งเป็นความจงใจเป็นเจตนาที่จะตามแสวงหาอารมณ์ที่ดีตามกิเลสไปกิเลสจิตใจมันมีกิเลสมอยากได้อารมณ์ดีๆเที่ยวหาไปคิดว่าหาได้แล้วมีความสุข คนอีกพวกหนึ่งก็มีปัญญามากขึ้นเห็นว่าเที่ยวหาอารมณ์ที่มีความสุขนะอารมณ์เป็ของแตกปรวนถ้าจิตใจของเราสงบสุขเนี่ยเราถึจะมีความสุขจริงไอ้ส่วนุ่มที่สองเนี่ยจะพยายามฝึกจิตเองไม่มีทานฝึกทานไม่มีศีลฝึกศีลไม่มีสมาธิฝึกสมาธินะไปหัดโน้นหัดนี้ก็จะควบคุมกายวาจาใจของเองให้ดีนี่เป็นความสุขแตกด้านเป็นความสุขแตกฝ่ายดีนะไม่ทําให้มนุษย์มั่นคงนะ ดูควางแต่งภายดีได้ลมผียากดูดไม่เป็นผลดีได้เป็นกีว ด, ดาได้เป็นปลมอีกงานหนึ่งนะพวกนี้คิดลึกก็อีกชั้นหนึ่งถึงถึงยังรักษ า, าจิตไว้แต่ยังมีอารมณ์มากระทบเรื่อยๆอยจิตก็ยังแสบเรื่อยๆแต่เพราะงั้นยังไงจะตัดการรับรู้ข้างนอกได้พวกนี้ก็เลยทิ้งรูปบ้างทิ้งนามบ้างบางคนทิ้งรูปก็ฝึกฝึกเข้ า, ารูปประชานไม่มีโลกข้างนอกมากระทบใจไลนสบายอยู่อย่างนันวัน ก็ไม่มีสิ่งกระทบกระทั่งอีกพวกหนึ่งเห็นว่าถ้ายังมีร่างกายอยู่ก็ยังทุกอยู่แพวกนี้ก็ฝึกเรียกว่าอาันยะอาศันอีอาศัญญะสัตตาสมรูปภักฝึกจะเป็นทั้งดับจิตและเจริญสิิหมดหวังรู้สึกหรือได้ร่างกายนั่งชื่อชื่ออยู่นั้นทั้งวันมานั่งชื่อชื่อให้ให้คนถูกวางยาสมองไม่ทุกใช่มไหยจะรู้สึกว่าไม่ไม่เนี่ยมันรมกระทบกระทั่งจิตตั้งมั่นมั่นค ง, งแข็ง่งแท้จิ น, นี้เป็นความปรุงแต่งชนิดที่สามนี่ว่าอนเนจชาที่สังกัดดังใจเราเนี่ยจะเที่ยวดิน้นหาความสุขดินด้นนีความทุกข์ด้วยการปรุงแต่งสามแบบนี้ตามสติกำลังตามสติปัญญาของแต่ละคนเขพระพุทธเจ้าสอนว่าการปรุงแต่งทั้งสามอย่างนี้เกิดจากอวิชชาเพีงสิ้นเกิดจากความไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับทุกข์คือไม่รู้ความจริงว่ากายกับใจไม่จะทุกข์นะเป็นนะรูปเป็นนามไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวเรา เราไม่มีวิชาหรือเรามีเอาวิชาว่านี่คือตัวเราขึ้นมามันก็เกิดเหตุนาสามชนิดเลยเพื่อจะให้เรามีความสุขฉะนั้นอย่างเวลาตุ้มใจมากๆหนีไปดูหนังตังเพลงก็แก้ลุ้มได้ใช่ไหมก็เป็นวิธีแก้ลุ้มชนิดที่หนึ่งชนิดที่สองโอ้มันลุ้มเนะมันพุ่งโตพุ่งโตพุ่งโตไหนหายตุ้มนือแก้ลุ้มชนิดที่สองแก้ลุ้มชนิดที่สามเนี่ยนะทาใจเฟิร์มลงไปเลยคิดไม่ได้แต่ไร แก้คุ่มเฉลี่ที่สามลึกๆ ล, ลงไปก็คือความรักตัวเองอยากให้จิตเองมีความสุขที่ว่จิตเป็นของเราเป็นตัวเราคืออภาิชานะแต่ว่าอยู่กับโลกถ้ามันทุกมากจริงๆหลูงพ่าไปไะนํนาเหมือนกันมีคนหนึ่งเครียดจัดเลยเครียดแทบข่าตัวตายแล้วถามว่าทำอะไรแล้วสบายใจก็ถ้าต้องฟังเสีงคลาสสิกแล้วก็สบายใจ หลวงพ่บอกไม่ต้องฝึกกรรถฐานแนละ้วตอนนี้ไปฟังเพลงคลาสสิกก่อฟังเลพลงผใจสบายเจนสบายรู้ว่จสบายนี่ถ้าเ ร, ร, ร, ริ่มฝึกได้คนกําลังรอดแน่รอดแด่มาให้ฝึกเจเลสตีมทําไม่ไหวเงั้นแต่ละคนเนี่ยเรามีความพร้อมใช้เครื่องมือได้ระดับไหนเราก็ใช้เครื่องมือนัน้นคนไหนมีความพร้อมทางกายทางใจพร้อมแล้วก็ใช้วิปัสสนา รู้จิตไปรู้จิตไม่ได้ลด ร, ระดับลงมามารู้กายกลายเป็นตั้งของจิตรู้กายนานๆก็รู้จิตได้รู้จิตแล้วจะได้เห็นอริยสัจ ร, ริยสัจเกิดที่จิตปัญหาในนี้มีโรคนี่เกิดที่จิตเนั้นะถ้ายังทําสมาธินะรู้กายไม่ไหวก็ทําสมาธิให้ใจมันสงบในอารมณ์นันเดียวสมถธิทาตามรูปแบบไม่ไหวหาอารมณ์ที่สบายใจมาทําที่เป็นกุศลด้วยนะ ถ้าสบายใจด้วยการดา่าคนอื่นนี่ก็ไม่เอาทำแล้วไม่ดีสบายใจเช่นซื้ออาหารไปดอ่มแม่น้าไปเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาแล้วมีความสุขือความสุขรู้ว่ามีความสุขเข้ามาปฏิบัติได้ละหรือดูใจยังไม่ออกก็เห็นมือเราหยิบอาหารโยนลงนะ้ำเห็นปลามาเห็นร่างกายเคลื่อนไหวอย่างนี้ก็ได้ แต่ถ้าเห็นว่าจิตใจไหน ม, ม, มัดีใจตามมากินเนยอะดีใจรู้ว่าดีใจตามตัวนี้อ้วนมากกินเยอนะอยากกินขึ้นมานะรู้ว่าอยากกินปฏิบัติแม้การปฏิบัติไม่ได้ยากเียงนัลยในชีวิตจริงจริงนี่เราอยู่ในวาภาพการปฏิบัติทำเตือ น, นที่ยากที่ยากเราอยากได้ธรรมะแต่เราไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือรู้ประทำแต่ม า, มาทำกายกับใจในี้ดูเข้าไป ถ้ารู้อยู่ที่กายที่ใจของเราจะรู้ว่าความทุกข์กายเกิดได้ยังไงความทุกข์ใจเกิดได้ยังไงถ้ารู้แจ้งแจ้งมผนังไม่ทุกข์หรอกบางทีแค่มีสติขึ้นมาชีวิตก็มีความสุขขึ้นเยอะแล้วสวยไหมเนื้หีไปนะ้วเห็นแบบว่าเวลาที่เอาไปไหนเราเอาชนะกิเลสความอยากจะให้เราทําอะไรไม่ได้อยที่หลวงพ่อพูดว่า อยากจะถามช่วยไม่ต้องถามจะได้ใส่ก็ยังขายอือูสู้ไม่ไหวครูบาอจารย์ท่านก็มีอุบายนะบางครั้งสู้ไม่ได้ท่านก็หนีไปมีคุูบาอจารย์ท่านเก็บสวัสิเล่าไว้เดินทุรดงไปแล้วไปอยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในถ้ำอะไรเงี้ยไปเจอสาวเขาสาวเอ้มาทาบุญโอใจสัตชอบเอาละนี่พิจารณาคุ้มค่าอย่างเงี้ยโอไม่ลงสู้ไม่ไหว เนี่ยสมรติายังสู้ไม่ได้เลย่ก็ใช้มาตรการเด็ดขาด น, นะคว้ากดคว้าบาาหนีเลยสู้ไม่ไหมก็ถอยแต่ถอยไม่ตั้งหลักนะถอยไม่จะถอยเป็นตลอดชีวิตนะเพ้นีนกิเลสรุนแรงสู้มันไม่ได้ถอยไม่น่อยเนะช่นหาหนังสือธรรมะมาหาแทนที่จะดูหนังปมใจแนฮะอ่านธรรมะก่อนห้านาที แล้วเดี๋ยวเขาจะตังเพลงที่หลังไปแกล้งเรอันนี้เป็นอุบายนะอุบายตึงตัวง่ก่อนไม่เป็นแบบนี้นะคก่อนอยาชอบอ่านหังสือังพดนี่าร้ึว่าไม่อยากมอยากที่จริงพอเรารู้ข้ามาถึงจิตถึงใจเราแล้วพองคนคิดจะหาหนังสือรู้สึกหาหนังสือก็อย่างนั้นนะไม่ค่อยมันนะถ้ารู้จิตใจแล้วดีกว่า ถ้ารู้อย่างนั้นได้ก็ดีแต่ว่าอันนี้หนีไปเลยใช่ไหอย่าไม่เอาทุกอย่างตรงนีได้หน่งนคือการอนนี้เราคนข่มมัเยอะไปแค่เด็กเนี่ยจิตมอนเด็กนะเอาไม่ทันไว่นานอ่ะพอต่อไปนี้ผู้ปกครองปล่อยคุเข้ามาวิทาลัปล่อยเลยใจแตกเลยเขี่ยวเถลิ่นเลยใช่ใช่กันนะใ่ใคลกลับกัน อ้าโยมสองคนนั้นอนะ่ะไปฝึกไปจากไหนกหั น, นเหรอแล้วไปเจอหมอก็ได้ไงไอะไรนะอือทะเลาะกันเลบางคนตกว่าจะพาไปเทียนะเท่ยวแต่แล้วพาไปอยู่วัดตั้งหลายชั่วโมงมมดังๆนิดนะ้งะหวงพ่อผมตื่นแก่แล้ว ช่วที่เผลอไปเรู้สึกขึ้นมาได้ว่าไปิดตั้งนานนะคะมันจะรู้สึกว่าแกลับเข้ามาดูตรองเริ่มมาดูวิจัยวานงตอนแล้วรยูตั้งนานมันผิดือคือมันผิดแล้วมันปลูกแล้วมันก็ผิดใหม่นี่ยมันผิดตรงที่ว่ามันเผลอไปตั้งนานนะตรงที่หลงไปเผลอไปเนี่ยจิตนย่างผู้สนตรงที่รู้ว่าเมื่อกี้นี่เผลอไปเนี่ยกู้สนเกิดเรียบร้อยแล้วนะหลังจากนั้นเกิดโลภ อุย้ยแยเลยนีไปตั้งนานแนละ้วต้องมาดูซื้อหน่อยอยากดูนะอันนี้เป็นอักขูตตนอีกตัวคนละอันกันพอแยกได้ไหมมันเป็นสามช่วงถ้ามัน่เป็นนิสายแล้วเราพูดว่าดูไม่เป็นไรนะนิสัยอย่างนี้เป็นนะ น, นินนนนสยัยทางดีตรงที่ใจมันีนเที่ยวลงไปเนี่ยเรียก ว, ว่าสุดโต่งในข้างหลงตามกิเลสตรงที่รู้ทันว่ามันหลงไปเนี่ยปฏิบัติถูกต้องที่ทางสายกลาง ผัดจากนั้นเกิดการบำเพ็ญตัวเองควบคุมตัวเองพยายามจะมาดูตัวเองนี่สุดโตองอ่งไปข้างน่งนะสุดโต่งทางนี้ก็ยังดีหรือว่าสุดโตง่งทางดีต่อมาเราสติปตัญญาเราแหลมคมขึ้นเรารู้ว่าพอพอรู้ว่าลงพุ๊บปกคร อ, องปั๊บเลยรักษาปับ๊บหรือหันมาดูปั๊บเลยรู้ผ่านแล้วว่าเริ่มไปดูแล้วพอรู้ท่านก็คือเกิดกุตลในตัวเองนะเข้าใจไหมหนี้มันจะ็กเปิดดับเปิดดับ อาคูโสนเกิดแล้วก็ดับผููคนเกิดแล้วก็ดับไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับนอนว่าไงนอนนอนรู้เรื่องขึ้นยั่งจิตใจค่อยสว่างขึ้นแล้ะเออนะว่าดับไม่เป็นไรเราให้ใจสว่างนะเออฮะตื่นสิเลยเนาะเออตื่นสิเลยตื่นสิเลยนี่ชาติเนี้ มันไม่ทานน้ำทําไงเราต้องใช้วิธีอื่นเราต้องมีเมตตาหานิยมยิ้มไหมทําจิตใจให้มีความสุขจิตใจเปิดตาใครๆก็อยากเข้าใกล้วันหนึ่งทําหน้าเป็นสริวทั้งวันใครยิเข้าใกล้เราะฉนั้นยิ้มไว้ทําจิตใจให้มีความสงขใครเข้าใกล้เราเราก็มีความสุขก็หลงเสน่ห์เราอีกเดี๋ยวเขรู้ว่าเราเป็นพระสังฆสาว ก็รู้รู oui. ้ทางนม่อยากทำใจให้สบายทำไม่เป็นไรมันทำดีไม่เป็นไรแต่ถ้าวันนี้รู้สึกใจไม่สบายอยากลาไปรทุกคนแยกลุ่มอย่งนีก็ไม่เอานะเอาสินห้าอีกดอกอะไรนะไม่ดีแล้วอยากทำให้ดีนี่ความอยากเป็นเป็นอารมณ์โทนสิบห้ามึงก็รู้ทานไม่อยากอยากทาให้ดีแล้วมันทุกข์ไหมทุกข์นะไม่มีข้อยกเว้นนะว่าอยากดีแล้วไม่ทุกข์ ใส่รอยแล้วูไหมเออจก่งไงหมอไปดูเขาลึกตัวเองความอยากเป็นของธรรมดาของคนที่เกิดขึ้นระดับหรอเกิดใช่ๆชก็แค่รู้เฉยเฉยเค็าองเกิดแล้วก็จดับถูกต้องแหะให้รู้เฉยเยนะเ๋ยวมันดับเองแหละอาจารย์ว่าไงอาจารย์อาจารย์รอบนี้ดีนี่นะ จะดูออกใช่ไหมดีแล้วอาจจะฝึกเรื่อยนะเีนยอเป็นอธิการวดีที่มันยุ่งวันนี้เวลาหน่อยเอาไม่เป็นไรไม่แก้หรอกห้ามมันไม่ได้จิบมันเป็นอนตภารับพูดเป็นเข็ดเม้่จิบมันพูดทั้งวันอแกทั้งหลับแล้วก็นอย่พูดเลยใช่ไหมมันสันไปเรื่อยๆมันพูดไปเรื่อยๆ ถ้ามันไม่ได้หรอกเพราะมันชอบบรรยายไปเจออะไรมันกะ็บรรยายไปเรื่อยบางทีไม่เพียงแต่บอกเฉยๆไม่ภาพเฉยๆนะมีการอบรมสั่งสอนเรนะ่อยนี่ไม่ดีหรอกว่านี่เป็นความสกรธจะ ท, นะนะทําเลยนะต้องโกรเกิดขึ้นแล้วแผดเผาตัวเราเองเราไปโกรธเขาไม่เห็นเขาเดือดร้อนเลยเราเดือดร้อนเองสอนเลยสอนเสร็จแล้วก็ปล่าเรื่อใจมือวันนี้ฟังธรรมะ <c ười> สุขิขเลตนหลอมฉิดมันลรุงนั่นแหละมันตรุงดีต่ความรู้ทันปั๊บซึงยังมันจะขาดกระตั้นกันเลยใจจะว่างส ว, ว่างขึ้นมาไม่กรุงอะไรแล้วนี่ดีไปเที่ยว้ไม่รู้ส ล, ลับลงไปรู้รู้สึกไหมว่าใจเป็นไหลเอาใหม่ๆทอย่างเด็กี้ใหม่ทาได้ไหมทาไม่ได้ไหมไม่เหมือนกับตรงนี้รู้สึกไหม แล้วยังบอกว่าไม่คีรู้ตัวไม่เที่ยหลงตรงนี้รู้ตัวไม่เหมือนกันอัน น, นี้เริ่มหลงเข้าไปแนละ้วแอพักใจเออ น, นี่ก็ไปพักเฉยๆไปนอนแช่ไว้ไม่แก้ยกมากไม่แก้ไม่แก่เรียนจะหลงข้าไม่คุยคว่าแก่กอบอู่ความรู้สึกไปไปในสภาวะแบบนี้เก็ออกมาต้องนอกาาาานอกันร้ า, า, รายับเขาาใจเด็ดเ็นะ ก้าหารครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านล้าหาญท่านเดินเข้าป่าเลยเจอเสือเจอช้าของเราเด็นี่เสือแลช้างอยู่แต่เขาดินเดินเดไก็ไม่กลัวนะนีเรากล้าหาญอะกล้าหาญในการไม่ไหลเข้าไปาว่าพอไม่ไหลเข้าไปแล้วมันก็ไปที่ไหนเลยอย่งนี้ไปเยอะเลยนี่มันสุดโตรงสองต่างนึกออกไหมสุดโต่งสองต่าง เมื่มันไหลไปรู้ว่าไหลเม่อ้ามานอนแช่หรือว่า น, นอนแช่เดี๋ยวไปค่อยกลางขึ้นอีแต่ถ้านอนแช่แล้วผ่อนใจแค่นี้เพื่อแช่เหลี่ยมนี้ตลอดวันใดที่ต้องปุดจากตรงนี้นั่นจะร้ายยิ่งกว่าเก่าคล้เชื้อโรกนี้มีเวลาตับตัวนานแต่ว่าเป็นร่อยมากที่ตื่นมาก็มีความกวดหัวใจได้แต่ตื่มา <ừ> ดูไปก็ยังรู้สึกว่าปวดหัวดูไปก็รู้สึกว่าหมดหูวลับ เมอามงี้สิเร า, าไม่ต้องไปอยากทํ า, า, า, าทให้ปัดหัวจิตมันทำเนเองะคนหูรู้ว่าัวดรูอยากให้หายปวดหูรู้ว่าอยากหายนะถ้าดูเข้าไปเห็นตัวอยากแล้วก็มันดับทันทีเลยทำไ ม, มันไม่ดับเขาอยากให้มันดับไม่ชอบมันนะจิตที่เกลียดกันนะนั้น่เป็นอสุจิส่วนจิตแต่ถ้ารู้ทันมันไม่อยากให้หายจิตเป็นคุสุลเลยหายหมด ทำว่าเบาๆเลยอ่ะเบาๆอ่ า, า, อานัานะ่นเป็นวิธีตูงแต่งแบบที่สองตุนแต่งทางดีคือสมมติว่าชาตินี้เราไม่สามารถเจเริยนสตรีทำนิพพสนาได้เรได้แค่แนบขดีรงเกศแล้วแต่ถ้าเราสามารถจะเริยนสติีต่อไปได้แล้วก็ทำเอายโยมมาจากไหนกันเดี๋ยวไปเที่ยวไหนกันนะ นะวยีเยครับแต่ว่าแม่มาหลอแล้วก็เดี๋ยวจะมีโอกาสไปว้หลวงพ่อเอออัดรู้สึกตัวไปนะรู้สึกตัวนะหนีไปละไหนแมแต่เห็นไหมคุณผู้ชายที่มีห้อยหอยพอเราดูเขาจะืูตัวเราเองรู้สึกไหมเดี๋ยวันๆแล้วเราจะดูตัวเราเองไหวรสุกเลยนะงั้นที่อย่างรู้สึกตัวไป ใจรู้สึกไหมเป็นเครียดใจหนีแร็พแร็จะให้ป่อยรู้ทันนะการที่เราคอยรู้ทันนี่แหละเรียกว่าปฏิบัติอย่าไปวาดภาพการปฏิบัติเราจะต้องทําผ้านั้นผ้านนี้นะที่สําคัญคืความมีสติจะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนต้องมีสติตลอดแล้วถ้าอาการมาสี่ห้าอย่างของอมกันตรู้อะไรก่อนตัวไหนเด็กมันก็รู้ตัวนั้นเองแหละอย่างเด็กๆนะเวลาเด็กมันดู ละครตลกตลกอะไรเนี้ยนะมีตัวละครหลายตัวเด็กมันรู้ใช่ไมว่ามันจะดูตัวไหนไมม่เห็นมีใครสอนพันเด็กดูเป็นอนะ่ะก็ตัวไหนมันเด่นไหนก็ไปดูตัวนะั้นต้อรู้ตลวดเะลาอาห้ผ ไ, ไม่ได้รู้ตลอดเวลาไม่ได้เราไม่ใช่ฆ่ารหัสรู้เท่าที่รู้ได้แต่อย่าให้มันนานนวะกระบวนการดูประวัติ น, น, นไม่ต้องวางรู้เฉยเฉยนะหลวงพ่อบอกแล้วไยพอรู้แล้วหลังอยากรู้ไม่ต้องทำอะไรอีก เวลาของการปฏิบัติเนี่ยมันมีกฎของการปฏิบัติอยู่สามข้อก ข, ข้อที่หนึ่งเนี่ยต้องรู้ที่กายหรือที่ใจของเราเองไม่ใช่ไปรู้อย่างอื่นนะอย่างความคิดไม่ใช่ไม่ใช่จิตใจนะความคิดคิดเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เนะี่ยไม่ใช่จิตนะให้เรารู้ที่จิตใจของเราใ่ม้มันสุขมันทุกข์มันดีมันชั่วนะมันโลภมันโกรธมันโลงอะไรเนี่ยให้รู้อย่าง มันวิ่งไปทางตาว่งไปทางหูวิ่งมาทางใจทํางานทางใจเรียกว่ารู้ทันรู้ทันใจของเรานี่พอรู้ทันใจแล้วต้องรู้ยังไงก่อนจะรู้อย่าอยากรู้ระหว่างนี้อย่าสลับลงไปอย่าจะโดลงไปอย่าไหลลงไปอย่าลืมตัวเองรู้แล้วไม่เข้าไปแทรกใส่นี่เรียกว่ารู้ให้เป็นต้องรู้ให้เป็นรู้ให้เป็นตั้งแต่ก่อนก่อนจะรู้อย่าอยากรู้ ระหว่างรู้อย่ากระโดดลงไปอย่าถล่มลงไปอย่าลืเมเน้อลืมตัวหนีไปนะเอานะหนีแป๊บแป๊บนะให้เรารู้ทันไปได้วยหรือว่าพอไปเห็นว่ามันเป็นกิเลสก็อย่าไปอยากรักมันเห็นมันเป็นกูสนใจก็อย่าไปหยากรักษาแล้วลก็อะไรก็รับก็ไม่ได้รักษาก็ไม่ได้สิ่งทั้งหลายเป็นไปนตามเดชตามปัจจัยไม่ได้ตามอยากนี่ก็เรียกว่าอับแรกหัดรู้กายรู้ใจนะะ ที่สองก็รู้ไม่เป็นก่อนจะรู้อย่าอยากรู้ระหว่างรู้อย่ากระโจนลงไปรู้แล้วก็อย่าเข้าไปแทกแตกนี้ประมาณได้ข้อที่สองแล้วข้อที่สามก็คือรู้บ่อยๆไม่ใช่เดือนรู้ครั้งหนึงนานๆรู้ทีอย่างรู้บ่อยๆอ่านใจของเราไปเรื่อยๆจิตใจมันเปลี่ยนแปลงทุกวันก็คอยรู้ไปถ้าใครสามารถทําอย่างนี้ได้ก็อย่เข้าใจธรรมะอย่างรวดเร็เลย เพราะการที่เรามีสติรู้กายรู้ใจมีสติรู้บ่อ ย, บ, อยบ่อยไปในสุดเราจะเกิดความเข้าใจแต่ว่าความเข้าใจนี่คื่ตัวปัญญาน่เกิดความเข้าใจว่าโอ้จิตใจไม่ใช่ตัวเรานะร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นตัวปัญญาพอเข้าใจอย่างนี้ใจจะค่อยมีความสงบสุขขึ้นมาปล่อยวางของเราฝึกไม่ถึงขั้นปล่อยวาง ฝึกไปได้ยากสําหรับอารว่าของเราเราแค่เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับไปเห็นเท่านี้พอแล้วนะเห็นเท่านี้ก็เรียกว่าไม่หลงทางอีกรอกไปแล้วได้เป็นพระโสดาบันเอาคุณผู้ชายที่ใสแ่แว่นเมื่อกี้ส่งจิตไปทําอะไรทราบไหมนะหลงไปนะให้รู้ทันนะหัดรู้ทันไป นีไปคิดแล้วตามไหมที่มีหนวดน่ะนะใครรู้สึกใส่รู้ทันยังเจ็บไหมใจหนีไปอีกละหนีแว บ, บแว บ, บแว บ, บไปนะอย่าง ต, ตอนนี้นั่นหลงไปอีกลนะาา ค, ค, คือสมถาเนี่ยมีมากกว่าพระพุทธเจ้านะหมดพระพุทธเจ้าแล้วสมถะก็ยังจะมีเพราะงั้นถ้ามีโอกาส ทำวิปัสนาไว้นานๆจะเกิดพระพุทธเจ้าเองอะย่างนี้ในเวลาสีสงสาแสงมหากราบอะไรนี่พระพุทธเจ้ายี่สิบสี่องค์บางครั้งเนี่ยแสงกลับไม่มีพระพุทธเจ้าเลยงั้นสมถะเนี่ยไม่ต้องใจร้อนหรอกมีโอกาสทําเยอะแต่วิปัสนาเนี่ยโอกาสที่จะได้ยินยากมากเพราะฉะนั้นเวลาพวกเราลงมือทํำวิปัสนาเนี่ยมักจะกลายเป็นสมาถะโดยมัน กลายเปนั่งเพ่งเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องเพ่งลมหายใจเพ่งกรรมปิกรรมทำไมเป็นเพ่งหมดเลยแทนที่จะระบูกายดูใจตามความเป็นจริงก็เพราะในสารวัตรเนี่ยฝึกเพ่งมาตลอดฝึกแต่สมถะแหละไม่เคยฝึกวิปัสสนาหรอกบางคนมักบอกว่าโอ้ยวิปัสสนายากนะดิฉันทําแต่สมถาก็พอแล้วหมดมักน้อยเป็นไปนะ เราทําูก่อนทำไม่ได้แล้วก็องใทําสมถนะเราควรเป็นค่กนควรเป็ู่กันนะพระพุทธเจ้าสอนบอกธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอยิ่งคือสมถะและวิปัสสนาท่านไม่ได้บอกว่าอย่าทําสมถะนะถ้าใครบอกว่าอย่าทําสมถะให้สุดโต่งอีกนะกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนคูดเราเองหรือใครบอกว่าวิปัสสนาคนยุคนสมัยแล้วไม่มีใครทําไดนะ้นี่ก็พูดเราเองอยู่ ตัวเองทําให้ได้กนะ็ไปดึงให้คนอื่นก็ไม่ทำไปด้วยฝึกสมาธิเขาองอย่างได้ไรอะไรนะนนแค่ฝึกนะสมาธิเนาะสมาธิมีสองวัตถุประสงค์อย่างสมาธิอันนึ่งทำเพื่อพักผ่อนจิตใจสบายมีความสุขนะไปลสงบโลกละสมาธิอันที่สองเนี่ยเอาเป็นฐานของการทํำนิพพสนอย่างเช่นเราไยเจเข้าหายใจออกหายใจไปหายใจเล่นๆอย่าไปจริงจังหายใจไปแล้วก็สัสงเกตให้รู้นาำจิตใจเรา หายใจไปแล้วจิตหนีไปเที่ยวรู้ว่าจิตหนีไปเที่ยวหายใจแล้วจิตสงบรือว่าจิตสงบหายใจแล้วจิต้งท่ามากเลยหรือว่าคงท่าหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดในสุดเราก็จะสามารถรู้มันจิตใจเองได้หายใจนั้นไม่ต้องหายใจแล้วลื้ตาขึ้นมาดูโลกเห็นหน้าคนนี้แล้วหงุดหงิดเห็นไหมไอ้คนนี้มันมแทนลมหายใจแล้วะเห็นเห็นแม่คนนี้แล้วดีใจแม่คนนี้มะนแทนลมหายใจแล้ว เป็นการฝึกเพื่อจะมารู้เท่าสันจิตใจตัวเองเพว่อนะสมาธิเนี่ยทำเพื่อพักผ่อนก็ได้ทำเพื่อจะพลิกไปถูงวิปัสสนาก็ไดนะ้หรืออีกแนวหนึง่งถ้าแนวของสมาธอย่านิยมเลยนะก็คือทำความสงบเป็นจิตเป็นหนึ่งเลยจิตเป็นหนึ่งมีอารมเป็นหนึ่งนะพอถอยออกจากสมาธิมันให้มีสติรู้ทันความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปนะตอนอยู่ในสมาี่มีปีติตอนนี้ไม่มี แต่อยู่ในสมาธิมีความสุขตอนนี้ไม่มีแต่อยู่ในสมาธิจิตเป็นหนึ่งตอนนี้ฝ่ายไป่ะสายไปสา ย, สายมานี่จิตไป็นของไม่เที่ยงนี่เรียกว่าใช้สมถะเป็นฐานของการทำวิปัสสนานี่วิปัสสนาทำไปเพื่ออะไรนี่วิปัสสนาทำไปเพื่อให้เห็นให้รู้ให้เกิดปัญญาแล้วนี่คำว่าปัญญาก็คือการที่สามารถรูใจรู้ใจตามความเป็นจริงนะดูรูปนามตามความเป็นจริงเรียกว่าปัญญานะ การรู้เท่าทันผู้คนอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ปัญญานะเรียนหนังสือเก่งไม่ใช่ปัญญานะคำว่าปัญญาในทางศาสนาพูดจริงๆเนี่ยที่สําคัญก็คือตัววิปัสสนาปัญญาคือการที่เห็นรูปนามตามความเป็นจริงปัญญาทางพุทธที่รองลงมาเรียกกรรมสัระตาปัญญารู้เรื่องกรรมเข้าใจเรื่องกรรม การที่บอกว่าให้ร hmm. ู้ตามความเป็นจริงสำคัากับผู้สนับสนการเกแต่เราพยายามที่จะสำรวจระหว่างคำว่าสำรวจระหว่างนี่นคือคำว่าดูเดียสังวรนะยูเดียสังวรไม่ได้แปลว่าไม่ดูไม่ได้แปลว่าไม่ฟังไม่ดมกลินไม่ริ้งรถถ้าไม่ดูแล้วดีแล้วก็คนตาบอดจะบรรลุกว่าเราไม่ฟังแล้วดีเนี่ยพวกมูอถือจะบรรลุกว่าเราแต่ไม่เป็นอย่างนั้น คำว่าสัมรวมเนี่ยหมายถึงอย่างนี้ผู้เจ้าท่านสอนอินทรีย์สังวรคือการสํารวมอินทรีย์มันะ้ยใช้คําเต็มๆคือสํารวมอินทรีย์นะไม่ใช่สํารวมเฉยๆสํารวมเดี๋ยวเราจะกเป็นไม่ดูไม่ฟังสํารวมอินทรีย์หมายถึงว่าเมื่อตามองเห็นรูปเนี่ยสิ่งแปลกๆลอยขึ้นในใจมีสติรู้ทันถ้ารู้ไม่ทนทกิเลสจะคดอบงำจิตถ้ารู้ทำเลยจะเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นทางสวารค์้วกเนี่ยตารู้จมุกนี้นกายใจกระทบอารมณ์ เมื่อกระทบแล้วให้มีสติรู้ทันเนะช่นตามองเห็นคนนี้เราเกิดโลภีดีรักเขาเห็นคนนี้เกิดโทสะเกลียดเขาให้รู้ทันโลภะใรู้ทันโทสะนี่เรียกว่าสัมรวมนะอยู่ในสามัญญพสูตราสูตรที่สองขั้นใจปีดกเล่ม ท, ที่เก้าลองดูนะมีซีดีขั้นใจปีดกไหมเดี๋ยวหนึ่งก็แจกกันนิดเดียวพอรู้แล้วเลิกมีกต่อ ท่านก็ไม่ได้สอนว่าให้ทำอะไรนะต้อกาให้รู้ตามความเป็นจริงกับนะปีนี้เริ่มตาเห็นรู้เนี่ยนะความดีดีรายละเอีดที่จิตให้รู้ทนะ า, าเงเขารู้ทางเนี่ยนะสิ่งใดที่เป็นอาภูตนมันจะดับเพราะว่ันทีที่รู้ทางจะมีสติอาภูตนจะถูกดับทันทนนีแต่ถ้าเราไม่รู้ทางอ่ะเช่นเห็นคนนี้มาเปลีย่ยนความเปลีย่ยนครอบํำใจเราก็จะหาเรื่องอีกแลกงเขานี่แหลอาภูตนมันครอบนา งั้นเมื่อตามองเห็นรูปหมกูดนสอนง่ายๆเมื่อตามองเห็นรูปรู้จิตเมื่อผมได้ยินเสียงรู้จิตเมื่อใจคิดเรื่องตรงแต่รู้จิตก็ตื่นลงกับที่เรื่องอิมเปียสังวรการที่คอยรู้จิตใจเองก็เรียกว่าไม่ส่งจิตออกนอกถ้าลืมจิตใจเพองก็เรียกว่าส่งจิตออกนอกเป็นทุกคนเลยไม่ใช่เป็นคนเดียวนะ บางคนเก่งานั้นอีกสร้างตัวละครมาหลตัวคุยกันได้ใเจอแนบางคนคุยก็ดจ่าเลยนคนสามคนอยู่ข้างในมแปลกๆนโกนี้บานี่เลาเราู้น้มันเหมือนมันรามันรู้แล้วมันมันไม่มันไปรู้รู้อะไรหอมันแ่บางคนบอกว่าถ้ารู้คือเรู้ตัวรู้ คือไม่ต้องเป็นคนตัวรู้นะถ้ามันแช่ให้รู้ว่าแช่รู้อย่างที่มันเป็นการดูจิตเนี่ยเราดูสองอย่างดูสองอย่างสองสิ่งอันหนึ่งดูความรู้สึกทั้งหลายที่เก็ดขึ้นเช่นความรู้สึกตุ่มเกิดขึ้นก็รู้อิจใจเป็นฟุ้งก็รู้เฉยๆก็รู้มีความโลภรู้สึกโกรธรู้สึกหลงแต่ละความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็รู้ีนอย่างหนึ่งอันที่สองจะรู้พฤติกรรของจิต เราจะรู้ว่าเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปทางตาหรือจิตวิ่งไปทางหูหรือจิตวิ่งไปทํางานทางใจถ้ารู้ทางพฤติกรรมของจิตแล้วจิตจะหมดพฤติกรรมเป็หมดการริษดรหมดการแสวงหาหมดความเปลี่ยนแปลงเลยเนี่เบื้องต้นถ้ารู้อะไรไม่ได้ดูจิตใจเคลื่อนไหวไม่ออกให้รู้ความรู้สึกไปก่อนะรู้ควารู้สึกไปสักพักหนึ่งก็จะดูออกจะมันเคลื่อนที่เคลื่อนใจเคลืนมาแต่เดิมเราคว่าจิตมีดวงเดียว ขนาดที่มันเกิเเดแสงเกิดมานี้เกิดทางตาหูจมูกลิ้นใจใจนะก็ยังอุส่าหผิดอีกว่าจิตมีดวงเดียวดวงเดียวแล้วก็วิ่งไปทางตาแล้วก็ดับมาวิ่งไปทางหูแล้วกลับมาเพราะฉั้นเวลาจิตพอรู้ว่าจิตวิ่งไปก็หยาบขึ้นพยายามดึงขึ้ดึขึ้นมาปุ๊บแต่แน่นแต่น่เนนาเอาเือหนาพันทีนะอั น, นั้นเพราะว่าเข้าใจจิตคิดว่าจิตมีดวงเดียวจิตจิตเกิดดับตลอดจิตไปเกิดทางตาแล้วก็ดับไปเกิดทางหูแล้วก็ดับเกิดทางใจแล้วก็ดับ เพราเวลาจิตเราลงไปทางตาเช่นเห็นคนเปมนมาดูเขาเราอยู่ตัวเองเนี่ยหลงไปทางตาเกิดรู้ว่าหลงไปทางตานะ่ยขณะที่รู้ว่าหลงไปทางตาเกิดความรู้ที่ถูกต้องนะเกิดสติเรียบร้อยจิตที่หลงไปทางตาดับไปเรียบร้อยนะเพราะงั้นไม่ต้องพยายามดับมันนะไม่ต้องพยายามดึงคืนมันเป็นของที่ตายไปแล้วไม่ต้องไปดึงคืนมาดูเรื่องไหมหมอไปหลอกมาจากไหน บอกว่าจะามาเที hey, ่ยวอะครับหเที่ยวที่เนี่ยนะมีหมาขึ้่วนให้หน่ตัวหนึ่งแล้วท่านที่เราไปยินดียินรถึงมาูวนีะให้รู้ว่ายินดีินรายไม่ต้องกาหนดนะให้รู้ไปมันยินดีรู้ว่ายินดียินรายรู้ว่ายินรายไม่ต้องสงใจไปรู้ห้ามสงใจรู้ ก่อนจะรู้ก็ไม่ต้องไปตงใจพอรู้แล้วก็ไม่แทกแซงหนีไปนะ้วง่นอนเสือไปอยังเออดีดเสอไปบ่อยนะยเสือนานเดี๋วยวนี้รู้เลยใช่ไหมเสือบ่อยกับเสือนานไม่เหมือนกันเออดีอออยิ่งเสอบ่อยยิ่งดีใช่ ไหลแว๊บรู้แวบ๊บรู้แต่ถ้าตัวยัเผอพยายามรักษารู้ไว้เนี่ ย, ย, ยเยขาปลอมหมดเลยนี่แหละเผอร่วนๆเลยนะงั้นมันเผลอแว๊บเผลอทุกทันเอาว่าไงเวลาทำงาน้องใช้ดแ้จูาอ๋อเดี๋ยวไปนะ่านนะหลวงเสียนไว้แล้วห <c oughs> น้าสอง้อยกสิบสี่เดี๋ยวแจกแ่รู้งานเลยเวลาทางานแล้วรู้งานนะแต่พอทางานจะได้ถ้า ก, กิเลสเกิดอนะ่ะก็รู้กิเลส เวลาทํางานคิดจิตเนี่ยมันรู้ว่าเราใช้คำอะไรอย่างเดียวเวลาเราทํางานเราต้องคิดเรื่องงานไม่ใช่เวลาเจริญสติแล้วเราคิดเรื่องงานแตคิดไปคิดไปแล้วชักเครียดนี่เครียดไม่ใช่งานนะเราเครียดปุ๊รู้ว่าเครียดอย่างนี้เรียกว่าเจริญสติพอหายเครียดแล้วก็ตั้งใจทางานต่อไปเพราะเรามีหน้าที่ทํางานพอเข้าใจไหมไม่ยากหรอกแล้ทีเวลาขับรถขับรถบางทีมรู เราแน่นรู้ว่าเรากำลังทำู้กำลังมองแต่บางครั้งพอมันมีอะไรกําหนดก็โอเคคือมีอะไรรู้โอเคบางครั้งเหมือนกับว่างๆมันไม่รู้จะรู้อะไรก็รู้ว่าง่เพราะว่างเพไม่เที่ยงนะว่างๆก็เปิดลมตัวนึ่งว่างๆตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่างจริงโดยไม่ใช่มหาอุณหภูมิเป็นว่าที่คู่กับความวุ่นวุ่นไวคือบางครั้งเนี่ยใช่แล้วหลังว่างแบบลมมันมีค่าเท่ากัน คือเป็นของที่จิตไปรู้เหมือนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาลงไปหรือเวลามีความรูงแต่งวุ่นวายขึ้นมาเวลาที่จิตว่างว่างแล้วเท่าเทียมกันเงั้นเวลาจิตวุ่นวายขึ้นมาไปเกลียกมันอนี้เขาเรียกว่าไม่ถูกเวลาจิตว่างว่างแล้วยินดีกับมันนี่ก็ไม่ถูกพอว่างไปนานๆมันไม่ยินดียันสงสัยสงสัยก็เอ๊ะจะดูอะไรดีหรือว่างว่างแล้วมันเบื่อใช่ไหมแจ่มขึ้ เรั oh, ữa, này, này. Thì, 네ื่อมนว่มัอย่างเงี้ยมันเห็นมีอะไรเเบื่อเนี่ยแสดงว่าไม่ว่างนะหรือว่างดับไปนะหรือสงสัยใว่างดับนะก็รู้เบื่อรู้สงสัยการระวางสงตัวเนี่ยเบื่อและสงสัยเนี่ยคู่นี้นะเป็นตัวเล่าเปลียกิเลสที่หล่าชัดวัทเตอร์อยู่มันเลยอ้าวนอนขึ้นโซฟ แต่ครูบาอาจารย์บางคก็ไม่ชอบพราบว่าเขาไปดูรมนานาแล้วเกินจริงๆแล้วจิตเนี่ยไม่เคยว่างจากอารมณ์นะมีอารมณ์ตลอดเวลาแต่ว่าอารมณ์บางอย่างเราไม่รู้จักเราก็คิดว่าไม่มีอย่งงอย่ตรงนี้ตรงนี้ก็มีอากาศแต่เรามองไม่เห็นแล้วก็นึกว่าตรงนี้ไม่มีอะไรเรียกว่าว่างๆตรงที่จิตเราว่าว่างๆนะจริงๆมีอะไรอีกเยอะเลยแต่เราอยังมองไม่ออก คายรู้เรื่อยๆเต่งเกตไก็ได้ว่างๆเขาไม่เที่ยงตรงนี้พอจะดูได้ไหมที่มันเฉยๆแล้วเฉยๆแล้วเดี๋ยวก็ไม่เฉยแต่เขาไม่มีอะไรจะรู้นะมันก็ถูกกระดิกไว้เคลื่อนไหวอย่านั่งนิ่งๆนั่งนิ่งๆเดี๋ยวหลงง่ายเคยปัดบ้านไหมเดี๋วนี้บางคนไม่ทํำงานที่บ้านถ้าเกิดเคลื่อนไหวทํางานบ้านล็อกไม้ก็ได้เคลื่อนไหวไว้แล้วก็คารู้คึนไป ดีมานั่งทํคำแบบนิ่งๆไว้ถ้านิ่งๆ น, น, น, นานๆแล้วตึ่ น, นง่ายแต่ถ้าไม่มีอะไรทําจิตมันไปรู้ลมหายใจของมันเองเราไม่ได้เจตนานี่ก็ไม่เป็นไรหรอกของคุณมันเป็นรู้เองหรือว่าจงใจอ๋อรม่แปลกอะไรนะมึงชินแต่ก็รู้ลมไปรู้ลมหายใจต่อไปแต่พอมันรู้ลมหายใจแล้วใจชักตื่นๆรู้ว่าตื่น แต่แต่ว่าเราไม่ได้ดูที่หลบนะเราดูที่จิตแล้วหายใจใจละใจเบาๆมีความสุขหรือว่าเบาๆแล้วก็มีความสุขนะเนี่ยเอาสมทาทานเป็นที่พักช่วคราวเสร็จแล้วก็กลับมารู้ทนันจิตใจต่อไปอย่างนี้พอได้ไหมคือ <c ười> ปฏิบติเราเคยชินส่วนใหญ่นันนะ้นในสังสารวัฏกันเราเข้าหายใจพอทำสมาทานไม่รู้จะทําอะไรไมันจะกลับมาจัลบลม หมือบางทีก่อนที่จิตจะรวมก่อนจิตสงบจับมาจับลมจับก็ไม่เป็นไรพอมันจับลมแล้วก็รู้การู้ผ่านใจของเราไปคับบางทนเรารู้ดูจิตครับบางทนมันมาจับมือที่ใจมันรู้อาการที่มันจับลมอะไรอยู่มันมันรู้ว่าขาบนอยูันเบกอยู่นนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็นรู้มันได้ดังนั้นการที่เขาฝึกฝึกไปอย่างไร เป็นฝึกปฝึกสมถานมาจากไหนไหมค่อยๆเรียนนะสติที่เกิดขึ้นจริงๆยังไม่ได้เป็นอย่างนี้จิตมัายังไม่ได้ตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงลองเก็บไหมว่าเวลาเราดูอะไรนี่แต่เรายังมีน้ำหนักอยู่คุณดูไหมโลกข้างนอกไม่มีน้ำหนักแต่เรามีน้ำหนักมากกว่าโลกข้างนอกอันนี้ดูได้ไหมคือถ้าสติโดยจริงเกิดนี่นะจะไม่มีน้ำหนัก ข้างนอกท้างในเสมอไปบ้านนะงนค่อยดูนะใย่ยใจร้อนเพราะว่าเวลาเราเรียนวิชาอื่นทางโลกแล้วเราเรียนตั้งหลายปีเรียทํานั้นก็ต้องใช้เวลานะนนนอดทนต้องอดทนตั้งใจนะเอดีให้ได้เราทุกอย่างเราก็รอบไปหมดแล้วแต่ว่าอย่างการที่เรากระดุกกระดิ๊บเราใส่รู้อนะไรเงี้ยการรู้ที่ถูกต้องกับการรู้ที่ไม่ถูกต้องไม่เหมือนกัน อย่างที่เราบอกเราเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกอะไรนี้เรารู้ตลอดขยับตัวขยับตัวอะไรเรารู้ตลอดถ้าขนาดนั้นใจเรายัางมีน้ำหนักสักนิดหนึ่งแสดงว่ารู้นั้นยังไม่ใช่รู้จริงรู้นั้นยังมีเจือด้วยความสรงใจรู้อยู่ค่อยๆดูค่อยๆสัง เ, เกตค่อยๆคลี่คลายสภาวะออกมาดูแต่กระทั่งรู้ตัวจริงเกิดขึ้นมาจะตื่นขึ้นมาจะตื่นขึ้นมาในจับหลังอย่างง่ายๆ แต่ง่ายแต่กว่าจะตื่นแต่ละคนจะยากมากในโลกนี้ไม่มีคนตื่นในโลกนี้มีแต่คนหลับนะตื่นแต่ตัวแต่ ใ, ใจฝันท้างวันไม่มีคนตื่นจริงกว่าจะตื่นแต่ละคนยากทําอะไรฮึฮึนะหลงนะหลงคิดนะเวลาที่จิตใจไปทําอะไรเนะี่เติมเขาก็หลงก็ไปได้เลย มันไปนทําอะไรชิดนะจะหลงชิดนะเจ็บไหมมันรู้เรื่องที่คิดแล้วมันลืมตัวเองเราลืมตัวเองตลอดเราจะรู้แต่อย่างนึงหลงชิดอีกแล้วทราบไหมไม่เลิกรู้สึกไหมอา่านี่เหมือนกันนะเรรู้สึกตัวแล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยตั้งใจขึ้นมานิดหนึ่งแล้วทราบไหมตรงนี้ไม่เป็นธรรมดาแล้วรู้สึกไหม มีน้ำหนัก ja. ขึ้นมาในใจนะดูออกไหมน้ำหนักที <Geld pretend S 2> ่เกิดขึ้นในใจเนี่ยเอาใช้เป็นเครื่องชี้วัดได้ถ้าตัวนี้เกิดแล้วแสดงว่าจิตใจเราแอบไปยึดอะไรไปแล้วแอบไปทำงานเรียบร้อยแล้วเป็นไงคนนี้ชอบคิดนะคิดทุกคนเลยคือจิตคนมันมีสองตูว พทษคิดมากเอาพวกโลภมากโลภมากเส้นอยากได้อารมณ์ที่ดีๆอยากสงบสบุขอยากยุ่งกับใครเนี่ยพวกโลภมากนะเนี่ยพวกสัญหาจริตวันนี้ใส่รู้ร่างกายแล้วดินนั่งนอนใส่รู้ไปเรื่อยๆไปเรื่อย่งกลมเยอะๆอีกพวกนึงพวกคิดมากพวกคิดมากในี่ยพวกที่ติดจริต๋ยาให้คอยรู้ทานจิตใจตัวเองจิตใจเปลีนะ่ยนแปลงทั้งวันเนี่ย ขอบคุณนะเป็นพิธี่จริตทราบไหมทราบคิดใช่ไหมทราบคิดงั้นเราเคยรู้ความเปลี่ยนแปลงในใจเราไว้จิตใจของเราเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆอย่างตอนมาถึงวัดใหม่ๆความรู้สึกกับ ต, ตอนนี้ก็ไม่เหมือนกันเข้าใจไหมเนี่ยขอบคุณนะวันๆเราต้องทำอะไครคอยรู้ความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันนะรู้เรื่อยๆไม่ต้องคิดเรื่องอื่นเลยรู้อยู่เท่เนี้สักแป๊บเดียวก็เป็นเพรว่าเราต้องฝึกกรรมฐานให้หมอกแต่จริตของเรา ไม่ใช่สืกบกรรมฐานเพราะว่านับถืออาจารย์องนั้นเราก็จะไปเรียนอย่างนั้นนับถือองนี้จะเรียนอย่างนี้แต่ เ, เราพยายามดัดแปลงตัวเองให้เข้าบอาจารย์ไม่ได้หรเราสังเกตเราวิเคราะห์ตัวเองก่อนเราเป็นพวกโรคมากรเราเป็นพวกคิดมากถ้าพวกโรคมากเราเควนทำควาสม ส, มบสงบซะหน่อยนะแล้วก็มาตาา่างรู้ตายก็เป็นพวกคิดมากให้เข้ารู้ความเปลี่ยนแปลงในจิตใจไปเลย แล้วนะมันจะทำแล้วมันจะได้ผลเร็วนี่ส่วนมากเราจะจิดรูปแบบอย่างเข้าสัมนักนี้ท่านทำอย่างนี้เราก็ทำตามไปนะเหมือนกันทุกคนนะแค่ปรับตัวเองให้เข้าสายจ่าไปไม่ได้หรอกยากส า, าไปดูว่าปัชนามันอยู่ที่ไหนมันก็เลยทให้รู้ว่าปรมันงน่ายที่เดียวแนะต่มันไม่ได้ยากหรอกแค่เามื่อไรเราสามารถรู้สึกตัวแล้วก็ตื่นขึ้นมา เราดูของจากโลกของความคิดได้เราจะเห็นปรมัตดเพราะว่าอะไรเพราบัญญัติเอยู่ในโลกของความคิดเกตั้ง ใ, ใจเราอยู่ในโลกของความคิดทัง้งวันเพราะฉะนั้นจะไปเห็นปรมัดไม่ได้เลย <Whoa> เห็นที่ใดก็เห็นแต่บัญญัติเพราะว่ามันคิดเอาแต่ถ้ารู้สึกตัวเป็นมันรู้ลงที่กายเนจะเห็นรูปปรมัดเห็นคนเดินมาจะไม่เห็คนเดินแล้วแต่จะเห็นรูปปรามัดเห็นอะไรเห็นมือ บางคนเห็นมากกว่านี้เห็นพระยกมือนี่บัญญัติเลื่อนๆเลยรูปปรามะดูยากนะอย่างนี้ก็ดือง่านามปรามัตะหนุนเข้ามาดูง่ายเช่นสุขดาแล้วโหความโมโหมันพุ่งรวดเลยเห็นตรงๆนี่แหละอารมณ์ปรมะหมนามปรามะนี่ของง่ายๆเลยอย่าไปคิดเอาให้คิดเอากม่จะเป็นบัญญัติขณะนี้หนีมีคิดทราบไหม เรายัางไม่เริ่มคิดเต่อซ้ำไหมเ <ś les> <view> นี่ยถ้าเรายังไม่เห็นคือสภาวะแล้วเลยยังไม่ตื่นขึ้นมานะของคุณทั้องอดคนนิดนึงนะหลวงพ่อเป็นคนที่สอนเราเรืงหวังคนจริงๆนะสอนก็แต่งตรงไปตรงมานะไม่ได้ถนอมแบบเอาเอาใจเนี่ยอดทนอดทนได้ได้ผลรวดเร็วบางคนถนอมถนอมโอ้ ลูกติดก็ผิดอยู่นั่นแหละอย่างบุญตาแล้วถูกคุกมไปเยอะผิดบ่อยไหมพี่ชาติชายมีหรือไมหมู่นี้น ม, ม, นมาวัดบ่อ ย, ยอมีหลายแบบนล้คนมาวัดสูบเขาหลอกมาก็มีวันนี้สูบหลอก็สองคนสูบบังคับมาหนึ่งคน เนี่ยจิตหนีไปแล้วทราบไหมหานะนรู้ไปเรื่อ ย, ยอย่าบังคับให้มันอยู่นะเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะฝึกบังคับจิตแต่ฝึกบังคับจิตตัวเองเนี่เป็นความสุดโต่งไปข้างข้างบังคับ mm hmm. ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ปล่อยให้มันหนีเที่ยวหรืเรารู้ไม่ทันนี่นี่ก็สุดโต่งไปทา ง, อ, ง mm hmm. อีกขออย่างชั่วโมงแล้นะธรรมะหนะเรียนมากฟังมาก้ไม่ดี mm hmm. เอาเวลาไปดูของเราเอางดีกว่า บางคนติดนะฟังแล้วมีความสุขเติมเติมน้ำบูน้ำตาเยอะๆเลยไปเจอสมัยอยู่กับหลกงปู่เทศมีผู้หญิงคนนึงไปกินมัเฟิงท nice ี่ไหนก็ต้องเจอเงด้วยื่องออบมาบ่อยทุกครั้งที่เจอหน้าหลวงปู่น้ำตาไหลมีจีติแล้วก็อนุโมทนาเขาเห็น้ะแล้วเขาจีติดดีจังเลยอีกปีนึ่งน้าตาไหลอู่ ปีที่หลายๆปีเข้ามาเนี่ยเอ๊ะแกจะเอาอยู่แค่นี้มงคาดี้นมาดูค